ปฏิบัติธรรมมันมีหลายอย่างหลายแบบหลายวิธีเช่นเดือการทำบุญก็มีความหมายกว้างการปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่หมายถึงเฉพาะเรื่องการบำเพ็ญทางจิตทั้งนั้นแต่ก็รวมถึงเรื่องของการ ให้ทานการรักษาศีลการทำงานด้วยความเพียรทำงานอย่างมีสติพวกนี้ก็ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นพเพราะคำว่าธรรมมีความหมายกว้างอาจาก็บอกว่ามีธร 8, 000, 4, 000, ระมะทั้งแต่มือสีันะธรรมขันดังนัปฏิบัติธรรมก็เลย ทำได้หลายแบบหลายแนวไม่ใช่ว่าใครต้องนั่งหลับตาหรือว่าหลีกเล่นอยู่ในกุฏิอยู่ในป่ายอย่างเดียวอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิภาวนาวหรือว่าทำกรรมฐา น, มนก็มีหลายอย่างเหมือนกันสมาธิภาวนาวคือการบำเพ็ญทางจิต มีวิธีการทำมากมายก็มีผู้จำผู้รวบรวมว่ากรรมฐานมีทั้ง4ี่สมี4ี่สบอย่าง40วิธีการเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระตคุณเราลึกถึง พระทรรมล้วถึงพระสงฆ์เพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจนี่ก็กรรมฐานนะด้วยพุทธานุสติธรรมมนุสติสังคารุสติแม้แต่แลึกถึงเทวดาความดีของเทวดาก็เป็นปฏิบัติธรรมเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งเรียกว่าเทวดานุสติ แต่ถ้าพูดถึงหัวใจของกรรมฐานแล้วก็ก็มีแค่หนึ่งก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่ก็ถ้าพูดอย่างย่อๆคือการมองตนนั่นเองการมองตน เป็นหัวใจของของกรรมฐานในพุทธศาสนาถ้าไปดูอย่างอื่นนี่ยังไม่ใช่หัวใจพุทธศาสนาอาจจะเป็นการบาเพ็ญทางจิตได้เชิงกะสินนะกะสินนี่ก็จดจดิตจดจอ ย, อยู่กับสิ่งนอกตัวเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตให้เกิดสมาธิ เราเว่าอารมณ์นะอารมณ์อารมณ์ในที่หมายที่ว่าที่สิ่งที่จิตสนใจหรือรับรู้กระสินน้ํากรสินไฟอันนี้ก็ใช่เป็นอารมณ์บาที่เรกาก็เรียกว่านิมิตเช่นบริกรรมนิมิต mm. มีคําเรียกหลายอย่างแต่ว่าอารมณ์ สำหรับสติปัฏฐานเนะี่ยมันก็คือไม่ใช่สิ่งนอกตัวนะก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เราเรียกว่าตัวเรานั่นเองได้แก่รูปเวทนาจิตธรรมแลรูปนี้ก็มีสารพัดลมหายใจหรือว่ารูปทั้งตัว เวทนา this ก็อย่างที่เรารู้ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าร้อนว่าหนาวเฉยๆอันนั้นเป็นสัญญาอย่างนี้ร้อนอย่างนี้หนาวแต่ว่ารู้สึกหอร้อนแล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกทุกข์ตามมาอันนี้เรียกว่าเวทนานสัญญาคือความคิดปรุงแต่งถามนี้ก็ทั้งหมดเลย ทั้งหมดก็เรียกว่าทรรมได้เรียกยาอเย่อง่ายๆสั้นๆว่ามองตนปฏิบัติทำโดยเพราะการทำกรรมฐานถ้ามันไม่นำไปสู่การมองตนเห็นตนแล้วมันก็ยังไม่ใช่หัวใจนะของการทำกรรมฐานแบบคุ พููง่ายคือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกในใจคิดนึกนีกน่ก็หลถึงความรู้สึกด้วยความรู้สึกในที่หมายถึงอารมณ์นะเช่นโกรธโมโหไม่ใช่เวทนาคําว่ารู้สึกนี่ภาษาไทยมันมีความหมายทั้งส่วนที่เป็นเวทนาแล้วก็ส่วนที่เป็นจิตรู้สึกทุกข์ก็ใช่แต่เป็นนั่นคือเวทนารู้สึกโกรธ น, นั้นเป็นเป็นเป็นอารมณ์จัดอยู่ในฝ่ายสังขารหรือจิตจิตตานุปัสสนาคือการมาเห็นอารมณ์มเห็นความโกรธความโรคความอยากก็ต้องเห็นเห็นอารมณ์ เห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดกับใจเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจรู้สึกนึกคิดถ้ามองตนดีๆมันก็มันก็ไม่เห็นตนนะมันไม่เห็นตนมันเห็นแต่รูปกําบนานเห็นกายกับใจเท่านั้นแหละที่ ทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นเพราะคนเรามองไม่เห็นต น, นก็เลยมีตนมีตัวกูเกิดขึ้นหรือผูดง่ายคือไปปรุงให้มันเกิดนั่นเองมันเกิดขึ้นเองไม่ได้และมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่มันเกิดจากการปรุงแต่งเหมือนกับอารมณ์นี่ก็ต้องเกิดจากการปรุงแต่ง ความโกรธไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ใจเราแต่มันมันต้องมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเช่นตากระทบลูกหูดินเสียงแต่ลาพังแค่ตาเห็นลูกหูดินเสียงน่งยังไม่เกิดความโกรธนะตรงนี้ก็มีความหลงคือความไม่มีสติผสมลงเข้าไปด้วยถึงจะเกิดความโกรธ อันนี้ว่าปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงๆแต่มันปรุงขึ้นมาเมื่อ ม, มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ดับได้แต่ที่จริงตัวกูนี่มันมันมันยิ่งกว่ามัน มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความโกรธนะคือความโกรธนี่มันยังมีอยู่เป็นครั้งเป็นคราว <Yeah. S 1> เมื่อมีปัจจัยแต่ตัวกูนี่มันจะเรียกว่า มันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ไปลงคิดเอาว่ามีถ้าเปรียบเทง่ายเหมือนก็ไปคิดว่ามีผีอยู่ในบ้านเนี้ยทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีแต่พอคิดว่ามีมันก็มีขึ้นมาแต่มีในความคิดไม่เหมือนความกลัวความกลัวที่มันมีนมจริง ตากระทบลูกหูดินเสียงแล้วก็ไม่มีสติมันก็เกิดความโกรธความโกรธนี่มีจริงแต่มีโชคราวมีตามเหตุตามปัจจัยแต่ผีเนี่ยมันไม่มีจริงจะ่เป็นหลงคิดว่ามี้ตัวกูเหมือนกันมันเรียกว่ามันง่อนเง่นยิ่งกว่าความโกรธอีกนะความโกรธนี่มันก็ประเดียวประเดาเหมือนกันแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวกูนี่มัน มันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะความหลงก็เลยคิดว่ามีอันนี้ก็ต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะมองตนก็ต้องเห็นความหลงว่ามันมีแต่ใหม่ๆก็ยังไม่ต้องไปสนใจก็เพียงแต่เห็นว่าเออมองตนมันก็ไม่เห็นตนมันเห็นแต่รูป ก, กับนามเห็นแต่กายกับใจมันไม่มี มันไม่เห็นตัวโก้เพราะาตัวโก้ไม่ไมีตั้งแต่แรกแต่มันมีเพิ่มเมื่อเราไม่มองตนนั่นแหละถึงจะมีหรือมองไม่เป็นนันก็แปละนะพอมองตนเข้าไปมันก็ไม่เห็นตนมันเห็นแต่กายกับใจเห็นแต่รูป ก, กับนาม แล้วพอมองไปก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้ร ก, กับนามนี่มันมันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตนคือไม่ใช่ตัวกูของกูอันนี้ก็ลึกเข้าไปหน่อยนะ คือมองตนนี้ก็เห็นลูกกับนามแต่ว่าลึกๆมันก็ยังมีความความยึดว่านี่ให้ลูกกับนามนี่คือเป็นตัวกลัวของกลัขึ้นมาไอความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นตัวกลวงกูนี่มันมันมีหลายชั้นนะชั้นของคนที่ ไม่เคยมองตนหรือไม่สนใจมองตนเลยนี่มันก็แสดงเห็นมันก็โผล่มาเต็มที่โดยที่ไม่เห็นแต่พอมองหันมามองตนเอ้ามันก็หายไปเห็นแต่รูป ก, กับนามแต่ว่าลึกๆมันก็จะมีความยึดว่ารูป ก, กับนามนี่เป็นตัวตนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองจนกระทั่งเห็นแล้วว่าเออมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการปฏิบัตินี่มันต้องอต้องทำใ ห, ใ, หให้ความยึดมั่นในตัวตนในตุวกวงกูนี่มันมันมันขาดมันกระจายมันแตกให้ได้ส่วนใหญ่ปฏิบัตินี่นักปฏิบัติแม้แต่ ที่ว่าเจริญสติเจริญสติกันเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทำตรงนี้หรือไปไม่ถึงตรงนี้ก็คือไม่ได้แตะไม่ได้ต้องอะไรเลยกับไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูไม่ได้แตะต้องเลยไปไปเพียงแค่รู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจ เห็นทันความคิดแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงให้เห็นหรือว่าไอ้ที่คิดเนี่ย ม, มันมันมีมันถูกปรุงไปด้วยความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูหรือว่าพูดง่ายๆคือมันมีกิเลสหนุน ห, หลังอยู่เห็นทันรู้ทันความคิดรู้ทันความโกรธแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองเห็น ถึงที่มาของความโกรธจริงๆว่ามันมันมีตัวกูของกูมันมีกิเลสเป็นตัวผลักดันอยู่เช่นความโกรธก็เห็นว่าเห็นว่าโกรธนะแต่ว่าไม่ได้เห็นต่อไปไม่ได้เห็นลึกไปว่าที่โกรธเพราะว่าขอพูดจะ กระทบความพูดขเขามันกระทบอัตตาของเราคือไม่เห็นว่าตัวอัตตาอันนี้เนี่ยมันถูกกระทบจึงโกรธถ้ส่วนใหญ่ก็เห็นแค่โกรธเราว่าโกรธแต่ไม่ได้มองเห็นตัวสมุทัยขความโกรธนี่นก็คือให้ความยึดในอัตตาตัวตน ถ้ามองเห็นตรงนี้เนะี่ยมันก็จะไม่ไม่ไปไม่ไปวันไหวง่ายๆหรือไม่ปล่อยให้ตัวอัตตามันอารวาสมันปรุงให้มันปรุงอะไรสตออะไรสารพัดเพราะความเสียใจก็เหมือนกันเวลาเสียใจเมื่อมีความพัดผ้าสูญเสียอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่ มีใครเอาอะไรไปเท่านั้นแต่็นพ่อมันมีความยิดว่าเป็นของเราด้วยให้ความพะ้เศ้าสูญเสียงไม่เป็นปัญหาถ้ า, าว่าไม่ได้มีความยึดในสิ่งนั้นในของนั้นหรือในคนนั้นว่าเป็นของเราทุกครั้งที่เกิดความเศร้าวความเสียใจหรือความโกรธเมื่อมี ความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะมีเหตุร้ายไม่ใช่เพียงเพราะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นของนั้นเท่านั้นแต่เป็นเพราะมันมีความยึดว่านั้นเป็นของเราตัวกลัวของกลัวนั่นเองถ้าไม่มีความยึดว่ามันเป็นของเรามันอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเราก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรเกิดแทนดินไว้ ที่ประเทศญี่ปุ่นคนตายเป็นหมื่นเราก็เฉยๆแต่ดินไหวที่จีนตายสองแสนคนเราก็เฉยๆเป็นแค่ตัวเลขแต่ทําไมเพียงแค่คนคนหนึ่งเกิดล่มป่วยเป็นมะเร็งแค่นะั้นยังไม่ทันตายเลยนะแค่ได้ข่าวว่าหมอวินิจัยเป็นมะเร็งนี่เราก็เสียใจขึ้นมาแล้ว ทำไมหนึ่งคนเห็นร้ายที่เกิดขึ้นกับคนคนเดียวถึงทํำให้เราทุกข์มากในขณะที่เห็นร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอีกสองแสนคนทําไมเราไม่ทุกข์เลยทั้งทั้งที่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับสองแสนนี่ยมันมันหนักหนาสหาห่ากว่าเยอะคือตายแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนคนเดียวนั้นแค่แค่รู้ความจริงว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองระยะที่หนึ่งนะ ควานองนาสาหามันต่างกันเยอะแต่ทำไมพอเกิดขึ้นกับคนคนเดียวเราถึงทุกข์มากก็เพราะ ม, มีความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่แค่สมมติว่าก็เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นแฟนเราเป็นลูกเราเป็นเพื่อนเราแต่มันยึดเอาจริงๆเลยเป็นของเรานี่ความเศร้าความโศก ค, ความเสียใจหรือความโกรธ มันก็มีร่างเน่ามาจ่ายความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละแต่ตัวคนมักจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งรับปฏิบัติก็เห็นแต่ว่าเศร้าเห็นแต่ว่าเสียใจแต่ไม่สามารถที่จะเห็นลึกลงไปว่ามันมีความยึดในตัวกูกของกูอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เลย ไปไม่ถึงรากงาของปัญหาก็เลยไม่ได้แก้ความทุกข์หรือว่าจะมีความสงบชั่วคราวคือพอรู้ว่าโกรธพอรู้ว่าเศร้าพอรู้ว่าเสียใจความโกรธความเศร้าก็ทุเลาเบาบางไปแต่เดี๋ยวมันก็โผล่มาให ม, ม่ถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่ไม่ได่การเจริญสติก็เป็นการปฏิบัติแบบแอสไพรินคือระงับความทุกข์ชั่วคราว แต่ว่าไม่ไปไม่ถึงต้นตอปัญหากิเลสก็ยังมีอยู่ก็ยังเห็นกับตัวอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใจสงบขึ้นใจสงบขึ้นเพราะว่าหลีกเล่นมาอยู่ในป่า<ม>อยู่ในกุตติไม่มีอะไรมากระทบแมจะมีสิ่งมากระทบก็บาๆก็รู้ทันเห็นอนารมณ์ที่เกิดขึ้นก็สงบลงไปได้แต่ว่าตัวกิเลสตัว ตัวกูของกูมันก็ยังหรืออันธพาลตัวร้ายมันก็ยังลอยนวลอยู่โดยไม่มีอะไรมาแตะต้องมันนี่มายถึาปฏิบัติธรรมก็สู้คนที่คนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่เขาพยายามที่จะลดละความแก่ตัวนึกถึงคนอื่น การนึกถึงคนอื่นนี่มันก็มีส่วนช่วยในการลดละความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ความล ด, ล, ดละในความลดละคลายความยิดมั่นในตัวกวงกูมันก็ทําได้หลายวิธีการนึกถึงคนอื่นก็เป็นวิธีหนึ่งถึงแม้จะลดไม่ได้ละไม่ได้ทั้งหมดไม่เหมือนกรรมฐานที่เป็นวิปัสนาวีปัสสนามนเห็น เห็นชัดว่ามันคือความหลงมันก็มันก็วางไปเองการปฏิบัติธรรมนี้มันต้องต้องจับหลักให้ได้ว่าต้องได้แก่ที่ทัวใจมันคือการมองตนอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะแต่มันยังไม่ใช่หัวใจเทวดาดุสสติ ทำมนุสติพุทธานุสติสังฆานุสติก็ใช่กรรมฐานการศพบุญนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็เป็นการบําเพ็ญทางจิตอย่า ง, งแต่ว่ายังไม่ใช่ัวใจกรรมฐานมองตนแต่ถ้ามองตนเราก็ต้องเห็นเห็นว่าไม่มีตนถ้ามองตนแล้วยังเห็นตนอยู่นี่ก็ไม่ใช่มองเห็นมองตนก็เห็น ลู ก, กับนาทาจกระจับใจเท่านั้นเองแต่มองลึกลงไปก็ยังเห็นว่าไอ้ที่ใจกระเพื่อมเป็นอารมณ์ความคิดนึืงนี้เป็นเพราะมันมีตัวการอยู่เบื้องหลังคือความยึดมั่นในตัวกูของกูที่มันอยู่ลึกลงไปก็คือตัวกูนั่นแหละที่มันอยู่เป็นตัวการอยู่เบื้องหลังในความความทุกข์ทั้งหลาย ถ้าไม่เห็นตรงนี้แล้วก็วางไม่ได้ก็ยังเผลอปล่อย ใ, ให้มันอาราวาสหรือไม่ก็เสนอสนองปลนเปล่ามันได้ซ้ำนักปฏิบัติธรรมบางทีก็สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนชมว่าเป็นนักปฏิบัติเคร่งอันนี้ก็แสดงว่ากาลังปลนเปลอ อัตตาโดยไม่รู้ตัวต้องสร้างภาพทําให้ดูดีบางทีแม้กระทั่งเวลาเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาพอมีคนทักว่าโกรธหรอือเครียดหรอือก็ปฏิเสธพอรู้สึกว่าถ้ายอมรับว่าโกรธว่าเครียดก็สแสดงว่าไม่ใช่นักปฏิบัติ หรือเวลาคนรักสูญเสียไปเศร้าใจร้องไห้น้ำตาซึมมีคนทักว่าร้องไห้หรือเปล่าไม่ได้ร้องไห้ผมมันเข้าตานะอันนี้ก็เรียวกว่ากายเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงต่อตัวเองไม่ซื่อตรงต่อความจริงเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาภาพรักนะักปฏิบัติธรรม ว่าบปฏิบัติธรรมต้องไม่ร้องไห้เมื่อมีความสูญเสียรับปฏิบัติธรรมต้องไม่กโกรธถ้าได้ตัวเองโกรธก็ไม่ยอมรับก็กลายเป็นทำไปนานๆกลายเป็นพวกหน้าไว้หลังหลอ่อน่ก็มีเยอะนะรับปฏิบัติธรรมประเภทนี้ก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ รักษาภาพรักเพื่ออะไรก็เพื่อก็เพราะว่าอัตตามันสั่งเพื่อต้องการปวนเปิดอัตตาให้ดูดีแล้วทําไมถึงทำอย่างนั้นได้ก็เพราะไม่เห็นไม่รู้เท่าทันอัตตาตัวตนนั่เองอันนี้เพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องคือไม่ได้มองตนงจริงๆหรือมองตนก็มองแบบฉาบฉ่วยผิวเผิน มองต้นก็ไม่เห็นตัวกูว่ามันอยู่เบื้องหลังเป็นตัวการอย่างไรบ้างต้องเห็นหได้นะถึงแม้ว่ายัางมีตัวกูอยู่ยังล ะ, ละละตัวกูไม่ได้แต่งนะก็ต้องเห็นว่ามันเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังไออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ต, ต่างๆอย่างไรบ้าง แต่ถ้ามองตนจนทะลุมันก็ไม่เห็นตนมันก็ไม่มีตัวตนให้ยึดถ้ามองตนก็ไม่เห็นตนมองตนก็ไม่มีตนถึงี่สุดต้องเป็นอย่างนั้นแต่ใหมๆ่ๆมองตนก็ต้องให้เห็นตนหรือหน้าเห็นนาตาที่มันก่อขวนเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนึกคิด ต่างๆที่ทำความทุกข์ให้กับเราหรือทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นหรือว่าปรุงแต่งพฤติกรรมเช่นสร้างภาพลักษณ์ทำตัวให้ดูดีอย่างนี้เป็นต้นให้บางทีเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ต้องรวมไปถึงการทรมานตัวตนด้วยนะนอกจากการ การมองตนแล้วก็ต้องทรมานตัวตนด้วยทรมานทำได้หลายอย่างนเช่นตัวตนนี่มันตัวอัตตนี่มันงกมันง ก, ม, นงกมันตนหนีมันอยากได้มากๆนี่ก็ต้องให้ต้องแจกอันนี้ก็เป็นการทรมานอย่างหนึ่งมันอยากมีของกุ้ยก็ต้องแจกมันไปเลยหรือไม่ก็มันอยากได้คำชม อยากดูดีก็ต้องทำตัวให้ไม่ดูดีบ้างบางทีก็ต้องหาแก้งทำทาให้ไม่ดูดีบ้างเพื่อหรือไม่ก็ไปเดินไปหรือไม่ก็ไปไปแสวงหาคำตำหนิคำต่อว่าดูที่ว่าเออถ้าต่อว่ามันจะเป็นยังไง เดินหน้าเข้าหาคำต่อว่าบ้างมันก็มีนะคนที่นักปฏิบัติธรรมบางประเภทนี้ก็พยายามทำตัวให้ให้ไม่ดูดีให้แย่ๆในในในญี่ปุ่นนี่มีพวกป็นพวกนี้เยอะเลยพวกเซนเนี่ยหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ในเมืองไทยหลายท่านก็อันนี้ก็ทำตัวให้ไม่ดูดีนะ เพื่อว่าจะได้มีคนมาตอว่าอย่างอาจารย์ทองรัตน์นี่ก็ท่นานหนึ่งแะหรือไม่หลวงพ่อโตบางทีท่านก็ทำอะไรแปลกๆไม่ดูดีเพื่อเชื้อเชอิญเ ช, ชิญชวนให้คนมาตำหนิอันนี้ก็เป็นการทารมานตัวตนเหมือนกัน บางคนก็ไปเป็นขอทานบางคนก็ไปเป็นไปอย่างอกคิวซังนี่ก็ขึ้นชื่อนะเป็นพระแต่ว่าเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่วัดหลวงแต่ว่าไปชอบไปสูงสิงในกับพวกคนเมาแล้วก็พวกเกิชาให้ชาว บ, บ้านเขากับดินทา นั่นก็ยิ้มไม่มว่าอะไรนี่ก็เป็นจจะเป็นการท้าทายสังคมหรือว่าเป็นการท้าทายตัวตนก็ได้นั่นเป็นวิธีหนึ่งให้เราก็ต้องอะไรที่มันตัวตนเลือดตามว่าต้องการยังไงก็ต้องกล้าทวนกระแสมันด้วยมีอุบายทั้งที่ ทั้งที่เป็นอุบายแบบง่ายๆเรียบๆหรือว่าเป็นอุบายที่สังคมยอมรับได้หรือบางทีก็เป็นอุบายที่สังคมไม่เข้าใจอันนี้ก็มันก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งหรือแม้แต่การอ ไม่อวดนะเวลามีดีเวลามีอะไรสักอย่างไม่อวดนะไอต้ตัวตนนี้มันยังประกาศตัวตวนแต่การที่เราไม่อวดเนะมันอยากจะให้บอกว่าฉั น, ไ ด, างงานได้อย่างน้นได้อย่างนี้ฉันเป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้ฉันเรียนเก่งนะฉันได้เกียรตินิยมนะฉันได้ด็อกเตอร์นะตัวตนไม่ต้องประกาศแต่ว่า ถ้าต้องการทวนกระแสคือเก็บเงียบไม่บอกเดี๋ยวนี้เห็นเยอะเลยเนี่ยใครได้ด็อกเตอร์ก็โชว์ใหญ่ประกาศใหญ่แม้แต่พรานี่ก็ประกาศแต่ที่จริงถ้าจะสู้กับตัวตนมันก็ต้องวิธีนึงก็คือการเก็บงำเอาไว้เราสังเกตไหมเวลาเราเกิดประสบความสำเร็จ อะไรขึ้นมานี่เราอยากจะโชว์อยากจะอวดใจมันพองมันอยากจะประกาศแต่ทันทีที่เราลองตั้งใจว่าจะไม่ประกาศไม่อวดนี่โอ้มันมันเกิดการต่อสู้ข้างในเกิดความต่อการต่อสู้เพราะมันอยากจะประกาศว่าฉันเก่งฉันแน่ มันถ้าเรายอมแพ้ไม่ไปวอร์มันก็เสร็จมันเราก็ต้องสู้กับมันไม่ประกาศไม่อวดไม่ไม่ไม่โชว์อันนี้ก็เป็นการทารมานตัว ต, วตวนยนนะันซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้สิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ตัวอย่างของอาจารย์เซนหรือว่า ครูบาอจาหลายท่านที่ชอบอะไรที่มันถึงลูกถึงคนเนี่ยไม่ประนประนองอัตตาเนี่ยก็จะทำแบบนั้นวบางทีเราก็ต้องทำนี้บ้างไม่ปะนีปนองอัตตาทวนกระแสมันนี่กับกลับเป็นการปฏิบัติธรรมนะคนมักไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเรียบร้อยอยู่ในแบบแผนบางทีการแหวกแนวไป มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันให้เราให้เรามองปฏิบัติธรรมให้กว้างแต่ว่าเข้าถึงแก่นมนช่วยทำให้สามารถที่จะอาชนะ ห, หรือว่าปล่อยวางตัวกูของกูได้ในที่สุด